ข่อบนอมต่อพรราชนิพนมีพระพุตธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่พึ่งเป็นสานะสำหรับชีวิตพวกเรามนุษย์ทุกๆชีวิตแล้วก็ต่อไวยความเคารพมายัางพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ยังเชื่อว่าพระอริยสงฆ์ยังมีอยู่จริงๆ สอ้ความเคารพมายัางเพื่อนสากธรรมิกที่เคารพทุกๆรูปจเจริญพรมายัางคุณแม่ชีอุบาสกอุบาสิกา ท, ก ท, กทุกทุกท่านเราก็นั่งลงเราก็น้อมมืออย่างเงี้ยดีขณะฟังธรรมถึงจะปวดจะเมื่อยก็ต้องทนื่งที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากๆแตท่านก็จะ ลุกขึ้นยืนเดินจงกรมมางทีจะขออนุญาตว่าขนาดฟังธรรมเนี่ยขอเดินได้ไหมทนเถอะสักประมาณครึ่งชั่วโมงท่านใดเคยปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียมมาแล้วบ้างปลดยกมือขึ้นเคยมาที่นี่แล้วยังสูงนิดน ะ, อะเอามือลงใครยังไม่เคยมาที่นี่ยกมือขึ้น เอามือลงใครยังไม่ได้ยกมือยกมือขึ้นเหรออาจจะยังง่วงอยู่นั่งหลับในอยู่นะขย่าตัวยังให้ปลุกตื่นขึ้นมาเลยจิตของเราที่สอบถามอย่างนี้จะอนิมิตนิดหนึง่งบางีเทศหวานๆไปยัดเยียดไปมันก็ได้ประโยชน์อยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงใจเรามารวมตัวกัน เพราะว่าเราเชื่อว่าที่นี่สถานที่แบบนี้เจอบุคคลแบบนี้อาศัยสัพยาแบบนี้มันเชื่อว่ามันจะมีการพนัานกิกได้ศรัทธานั่นแหละจะลองใช้เวลาอยู่สองสามวันเพื่อปรับกายปรับใจ มันเป็นยังไงปรับกายปรับใจก็ปรับนิสัยความเคยชินของกายป่านนี้อาจจะยังไม่ได้ตื่นลูกจากที่นอนก็ต้องตื่นไม่เคยทำบัตรสวดมนต์ตอนเช้าก็ต้องมาทำบัดรสวดมนต์ตอนเช้าเคยทำบาลีอย่างเดียวก็มาแปลเป็นไทยไม่เคยยกมือส4บสี่วฉกในรูปแบบแบบนี้มารับรู้รับทราบอ๋อมันมีอย่างนี้เลยนะ เราก็เริ่มตอนฝึกหัดมึนก็ปรับใจพอสมควรฝืนใจผสมควรเคยเช้ามาได้จิบน้าร้อนน้ำอุ่นกาแฟแต่มาที่นี้ไม่ได้ดังใจอากาศที่นี่ก็เย็นทั่วประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ยังร้อนอ้าวอยู่เช่นพมา่าเพิ่งกลับมามื2สองวันก่อนอยู่เหนือประเทศไทยหน่อยหนึง่ง แต่ปรากฏว่ามันก็ยังไม่เย็นเาวัดป่าสุก โ, โตนะล้วนในเระเงไทยนะเราลองไปต่างจังหวัดหรือว่าแค่ออกนอกวัดไปนะมันก็จะรู้สึกว่าร้อนทันทีแต่อยู่ที่นี่มันจะเย็นสบายมันก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวอีกหรือกิจวัตรประจําวันต่างๆนะเคยทํางานทําการทําอะไรนะมากมายเหลือเกินกิจกรรม มาที่นี่มานั่งยกมือสร้างจังหวะทั้งวันเนีมันฝืนผนสมควรเราก็จะเห็นว่าอื 2-3 วันแล้วนะวันแรกๆเจ็บปวดเมื่อยวันนี้อาจจะเมื่อยมากขึ้นหรือว่ามันเบาเบาบางๆลงอันนี้ก็คือลักษณะของการปรับกายแล้วก็จิตใจของเราที่เคยคิดมาก คามทุกเก่าๆปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกร่องรอยไปในจิตใจของเราที่อยากจํากับลืมอยากลืมกับจําบางทีมันก็พุทธรุดแสดงออกมาให้เราได้มันก็ว่างงอยู่บ้านก็ไม่คิดอะไรมาขนาดนี้ตั้งใจมาปฏิบัติรมให้จิตใจสงบหรือครับมันก็คิดมากฟุ้งซ่านบางทีสองสามวันก็คิดถึงบ้านอยากกลับบ้าน อยากมาแต่ท้ายสุดก็คืออยากกลับเหมันก็คนแก่แต่เราจะเห็นธรรมชาติคนแก่ในฐานะที่เราเป็นลูกเป็นหลานเป็นผู้น้อยอายุน้อยกว่าอะไรก็ตามบางทีนะจิตใจคนแก่คืออยากไปเวลาเห็นลูกหลานบอกว่าจะไปนู่นไปนี่นะเช่นเชิงแมงนะเราสังเกตนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเออ คนแก่นี่จะเตรียมตัวไว้มากจะไปเชงเม้งอ่ะเก็บข้าวเก็บของไปนั่งคออยู่ในรถเรียบร้อยแล้ะถามลูกหลานมาเมื่อไหร่จะไปมเมื่อไหร่จะไปมเมื่อไหร่จะไปช้า mm hmm. บนแล้วพอไปเหตุารนี้เชงเม้งที่ไหนที่ไหนก็แดดร้อนเท่านั้นแหะสุสานไหนสุสานไหนก็แดดร้อนอ้าวต้องกางเต็นกันพอนั่งสักพักหนึ่งคนแก่ก็รีบไหว้ไหว้ไหว้ไหว้ไห ว, ว, ว้เอาข อ, ของมา เรียกว่าเซนสวงกันพอสักพักหนึ่งเก็บของจะไปเรายังไม่ได้กินกันเลยไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเราอยเห็นเอออักษณะของจริงนะเป็นอย่างเงี้ยอยากมาวัดนะอยากมาอยากมาสตาแต่พอเป็นแบบสักสองสอาอ่ะอยากกลับอีกแล้วเนะี้ยอันนี้เคยเจอกับตัวเองอยากมาบวชมาบวชแล้วก็อยากกลับอยากศึกอยากสารพัดเนะี่ยตัณหาพาธรรมอยู่ ให้รู้อะไรปัญหาพาทำมันเป็นปัญหาแต่ว่ามันกลาเป็นสิ่งที่ดีไม่มีปัญหาก็มีปัญญามีปัญหาทให้เกิดบรารมีขึ้นมาเวลานั่งปฏิบัติยกมือเจ็บปวดเมือ่อยเออดีละจะได้รู้จักนี่แหละคือสัญญาณชีพร่างกายก็ต้องมีสัญญาณภัยที่รักษาตัวเขาเองอย่างนี้แหละเราก็อ่านออกแล้วกันเนี่ยดูกายก็อ่านกายออกกายก็มีอาการต่างๆของกาย ปรากฏออกมาเป็นอาการเฉยๆแต่ถ้าใจเราขาดสตินะไม่ได้มีตัวดูตัวเรียนตัวรู้นะมันจะเข้าไปเป็นโอ้ยกูปวดโอยไม่ไหวแย่แย่แย่สงสัยแย่เหลือไม่เท่าเก่ามันก็บน ง, งุง้งยิ้งไปในจิตในใจของเราเจอหรือยังตัวนี้นะมีจิตมีใจนะมันไม่มีตัวตนนะจิตใจนะแต่ว่าอาการมันเยอะมาก แชแวะไปเป็นพลังงานนี่เป็นนามธรรมถ้าเราดูดีๆสังเกตดีๆมันจะว่าใบอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยแหละร่างกายของเราเปียกเหมือนกูหาเปียกเหมือนถ้ำจิตใจที่มันไม่มีตัวตนต เ, เป็นพลังงานของชีวิตเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์มนุษย์มันมีชีวิตมีการเคลื่อนการไนวการเคลื่อนไหวแต่และหนามีจิตวิญญาณอยู่อยากรู้ว่าจิตอยู่ไหนตอนนี้ลองขยับเสีย กะพริบตารู้สึกที่กระพริบตามันก็นั่นแหะจิตมันอยู่ตรงนั้นน่ะก้นสัมผัสพื้นอยู่รู้ว่าก้นสัมผัสพื้นอยู่ก็นั่นแหละจิตอยู่ตรงนั้นน่ะขยับนิ้วกระทบกันเบาๆจิตมันอยู่ที่ขยับนิ้วนั่นแหละขณะนี้ออกมาหรือผมคิดนะคิดอยู่เราเอาความคิดมาเป็นคําพูดอย่างเงมันก็เห็นอยู่จิตก็อยู่ความคิดอยู่คําพูดนั่นแหละก็อยู่กันนิมิตยอย่างนีน้มันก็จะได้เห็นชัดๆนะอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมา ในร่างกายของเราก็คืออาการของกายหรือว่าอาการของจิตที่ตัวชีวิตมันดำรงอยู่ก็พากันตามยถากรรมบ้างตามที่เรามีเจตนากระทำดีบ้างเจตนากระทำชั่วบ้างหรือว่าทําไม่ดีไม่ชั่วก็มีเช่นเนี่ยเรานั่งยกมือสุดที่งหว่านะอันนี้ไม่ดีไม่ชั่วนะเนือดีเหนือชั่วนะเป็นปกติอยูย่ถ้าเราสัมผัสได้เออการเคลื่อนขยับ คนไก่ของการเคลื่อนขยับ14บส่าช่ไหมมันคือรูปแบบแต่รูปแบบเนี้ก็มีไว้ทําอะไรมันไม่ใช่ทําดีแล้วทําชั่วมีไว้ทํากรรมฐานไปเกิดสภาพของธรรมชาติที่เป็นกลางสมดุลจะมีตัวที่แทรกซ้อนออกมาเช่นตัวคิดไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่ก็จะแวบออกมาคิดอะรตัวนี้จะเกิดปัญญาขึ้นมาวิปัสสนาจะเกิดตรงเนี้ เราเห็นการเคลื่อนการไหวของกายอยู่เจตนาการทำในรูปแบบเนี่ยมันเป็นอิยาบทที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้เจตนากําหนดรู้นะ่ยมันชัดเจตนามคือกรรมเนี่ยทกรรมฐานก็ต้องมีเจตนาสีถ้าทําโดยที่ใจลอยๆไม่มีเจตนากําหนดรู้อยู่มันก็เป็นกระตตกรรมนะไม่ให้โบนั่นแหละฟรีตามฟรีฟร แขนตอกล้ามเนื้อกระฉับเฉยๆเป็นการออกกําลังกายเฉยๆเพราะนั้นใส่เจตนาลงไปในการกําหนดรู้แต่ละขณะขณะชัดเย็นเป็นปัจจุบันขณะรู้แล้วปล่อยรู้แล้วก็ตัดรู้แล้วก็ตัดเป็นจังหวะภาษาพู้อ่นเป็นอย่างนี้ยแต่ว่าเราฟังแล้วน้อมมาทํามันจะเป็นยังไงก็ต้องฝึกหัดลองดูะจะเป็นได้ก็สรุปเนีเคลื่อนมือแล้วรู้สึกเฉยๆยกแต่ละจงังหวะรู้สึกธรรมดาธรรมดาทําได้เรื่อยๆ มันจะไม่เพง่ไงไม่จ้องไม่จี้แต่ว่าไม่ใหม่มันเพง่มงมันจ้องมันจี้ก็ไม่ได้ถือว่าพิษอะไรคนเก่าๆที่ทําก็ยังเพง่งจี้จ้องอยู่ก็มีเหมือนกันขนาะคนในอย่ากออกคนนอกอยากเข้าอย่างวัดวารามที่เราเข้ามาก็จะมีคนน้อยมากเมื่อก่อนหน้าที่เรากลุ่มเข้ามามีคนเยอะมากแต่ก็ไม่ได้มาปฏิบัติธรรมแล้วในะที่ว่าเจริญสติจังหวะแบบนี้กันเคลื่อนไหวมืออยนะ่างนี้นะมาล้งสารพิษ อีกกลุ่มหนึ่งปฏิบัติเมื่อวานยอมเข้ามากันที่นี่นักบวชเข้ามากันที่นี่แต่ว่ากลุ่มหนึ่งมืออาชีพที่นี่มาจากต่างประเทศครับย้ายไปวัดหนึ่งแหละไปที่โคราชมาเาก็มองอมันก็เหมือนกับคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเนา ะ, ะแสวงหาสถานที่สแสวงหาครูบาอาจารย์สแสวงหารูปแบบกันไปที่ไหนได้มันไม่มีหรอกลักษณะของ การแสวงหาออกไปนอกตัวแล้วจะเจอธรรมะไม่ใช่หรการที่เราเนี่ยยกมือสิบสี่จังหวัดมันบอกตรงๆเลยนะว่ามีธรรมะไม่มีธรรมะขณะที่เราเคลื่อนยกมือสิบี่จังหวัดอยู่นะี่ยทถูกทำไม่ถูก ก, ก็บอกทันทีอ่ะถ้าทำถูกต้องเนี่ยมันก็จะธรรมดาธรรมดานี่แหละจะไม่เอาอะไรกันหนักกันหนานแต่ว่ามันมีอาการเพ่งบ้างปวดเมื่อยบ้างคิดบ้างบ้าง คิดมากบ้างหรือว่าฟุ้งซ่านบ้างอันเนี้ยเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามากเลยของหน้าปฏิบัติธรรมแล้วต้องเจอด้วยต้องเจออาการที่พูดทั้งหมดนี่แหละความระลึกสงสัยก็ต้องเจอเหมือนกันนะถ้าไม่เจอน่าแปลกแล้วทาไม่ถูกแล้วความง่วงเหงาหาอนอนเหมือนกันถ้าไปเจอนี่แปลกมากเลยอาถามหน่อยในะนี้ท่านใดปฏิบัติแล้วง่วงนอนบ้างปวดช่องเมื่อขึ้นถ้าทําแล้วไม่ง่วงไม่ต้องยกนะ ใครทำแล้วง่วงนอนยกมือขึ้นทำแล้วง่วงบ้างไม่ง่วงบ้างยกมือขึ้นใครทําแล้วไม่ง่วงเลยเดี๋ยวสามวันสี่วันเมื่อคืนนอนยังไม่ง่วงก็เลยเงยยกมือขึ้นมันก็ไม่มีอ่ะเนาะก็เห็นยกมือกันได้ทุกๆคําถามเนะี่ยยังเป็นคําถามสุดท้ายก็แสดงว่าง่วงทุกคนก็ถูกแล้วล่ะเพราะว่าการปฏิธรรมก็คือเรามาแยกแยะ ตั้งแต่เบื้องต้นเลยเกิดสัมมาทิฏฐิที่ทเมื่อกี้เราสวดกันมักมีองค์แปดมันเป็นยังไงละสัมมาทิฏฐิสัมมาแปลแบบอัตมานะสัมมาขวัญสมัมขวัญขวัญมาก็คือมานะมาอยู่กันเนื้อกับตัวนะภาษาไทยภาษาบาลีสันธกฤฐ์นวนี้ของเรามีแค่ส2บเ็นั้นนั้นดังนั้นยืมภ า, าษาต่างประเทศเข้ามาทังนั้น หยิบเอามาใช้เดี๋ยวนี้ภาษาสาัพสแลงต่างต่างเกิดขึ้นมามากมายกรณีไอ้สัมมาเนี่ยภาษาบาลีงียก็คือสัมมันมามันจะสัมไปสติปัฏฐานนี่คือสติที่กลับมารู้กายรู้ใจเห็นรูปเห็นนามสติสัญชาตญาณก็คือมันออกไปรู้นอกตัวเกิดอาชีพต่างๆมากมายศาสตร์ต่างๆมากมายวิชาการต่างๆมากมายเต็มโลกแต่วิชาพุทธศาสตร์คือกลับมารู้ตัว เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงก็ต้องเห็นขณะไหนเราพลิกมือก็ต้องเห็นตัวเองพลิกมือยกขึ้นก็ต้องเห็นตัวเองยกขึ้นเกลื่อนมาทับที่เสะดือก็ต้องเห็นตัวเองทุกๆขณะน่ะมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นนิสัยหรือว่าความคุ้นชินเก่าๆแหวบชอบคิดไปมีไหมคิดถึงลูกมีไหมมาอยู่ที่นี่แต่ใจคิดถึงลูกมีไหมคิดถึงงานมีไหมตัวนั่งอยู่นี่ ใจคิดถึงงานกันมีไหมคิดถึงปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกทุกคนมันม well ีคู่อริทุกคนนั <ah ่นแหละไม่ว่าใครแล้วนั้นนะเจ้ากรรมนายเวรคู่อาฆาตพยาบาทปูพยาบาทเอาไว้โกรธอย่างเงี้ยทุกคนก็มีคนชังคนลักมีมก็อที่จะแวบคิดถึงไม่ได้แนุษม์นเป็นสัตว์สังคม เราจะรู้สึกตัวอยู่อย่างเงี้ยเคลื่อนมือ14บสี่ยังไงเดินยองกลมจับปัจจุบันขณนะแต่แลนนะขณะมันก็แวบไปหาอาดีตบ้างแวบไปหานาคตมถูกแ ล, แล้วนละ่ะทําถูกแล้วเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือกลับมานะสำมาที่ดีคือเห็นในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่รู้ตรงตรงรู้สดสดนะรู้เป็นปัจจุบันรู้ซื่อซื่อรู้เฉยเฉยนะมันเป็นกรอบเป็นรูปแบบในการฝึกกันหัด การที่เห็นว่าจิตมันไหลไปบ่อยเห็นว่าจิตมันหลงไปบ่อยนะคือภาวะของสติการที่คิดแล้วรู้ว่าคิดน่ะคืออาการของสติอย่าห้ามมันเจะไหนวิธีการหลวงปู่เทียนจึงอย่าห้ามความคิดเราไม่ห้ามความคิดห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ว่าให้รู้ทันความคิดแต่ก็รู้ทันยากอีกว่าเป็นนามธรรมขนาดรู้สักตัวที่กายยังรู้ยากเลย เวลาจิตที่มันเผลอแวบคิดไปส่วนใหญ่ก็คือหลงเข้าไปแล้วจะไปรู้อีกทีเองก็ตอนที่มันคิดจะจบแล้วเนี่ยบางทีก็คิดกลางๆได้กลางเรื่องคิดไปละหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ดอ่าไปรู้ตัดเชื่อบางทีก็หนึ่งสองอ่ารู้ละตัดเชื่ออะรก็แสดงสติมก็เข้มข้นขึ้นมีความว่องไวเป็นไหวพิปฏิพานเนี่ยเราก็คือผลพัฒนาเราจะเห็นในชั่วโมงน มีห0สบนาทีคูณด้วย60สวินาทีเข้าไปมันก็หลายขนาจิตอยู่นะชั่วโมงก็3600ันรู้แต่ละขนรนะู้สึกตัวแต่ละขนรนะู้สึกตัวเดี๋ยวมีการแอบคิดเออได้ละหนึ่งแต้มของสติกลับมารู้สึกตัวที่ฐานกายถ้ามันไม่ ม, มีเรื่องต้องคิดไม่มีเรื่องที่ต้องเหมือนกับว่าชวนหลง เรากลับมาทำในสิงเรากำลัลงทํกากรรมฐานเื่อนไหวรู้สึกมันก็ได้หนึ่งแต้มไอย่างเงี้ยทุกๆหน้แล้วก็เติมเต็มนะจนเป็นมหาสติปัฏฐานสุดหยอดเงินใส่กระโปรงนะบาทหนึ่งบาทหนึ่ ง, า ง, งบาทหนึ่งหาตังค์ได้ก็หยดตังค์ใส่กระโปุกบาทหนึ่งบาทหนึ่งเดี๋ยวท้ายสุดก็เป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าหาเงินมหาเศรษฐีขนาดไห น, นอันดับ200 50ของโลกะตายไปแล้ว เฉลียวเฉลียวรู้จักเฉลียวไหมใครรู้จักเฉลียวบั่งใครน้ำเมาเฉลียวน้ำเมาใครรู้จักยกมือขึ้นใครรู้จักยกมือขึ้นเฉลียวไม่มีใครรู้จักเฉลียวเลยแหละใครไม่เคยรู้จักเฉลียวยกมือขึ้นเอามือลงใครรู้จักเฉลียวยกมือขึ้น ที่ยกมือรู้จักเฉลียวเคยคุยกันนะ mm. คือเรารู้จักชื่อเข า, าเขาเป็นคนที่ขายน้ำ mm. นะแล้าตอนหลังก็ซื้อโอชิ mm. ของเสียตันไปเสร็จ mm. แล้วก็มีการฟ้องร้องกันใหญ่เลย mm. เฉลียวอายุ8ปบปีก็ตายไปแล้วมีเงินเป็นแสนแสนล้าน mm. นั่นแหละทำ mm. ไปกระตัวไปป่ะ ตังก็อย่าได้ลอกไว้เนี่ยเป็นสมบัติปัดกันชมลูกหลานเหรนหลอ น, นกันได้มันกันราคาเนี่ยแย่งริงกันสมบัติผัดกันชมเต็มกันก็คือในที่เรามาทําเนี่ยไอตัวสติปัฏฐา น, นไอเนี่ยไปแน่นอนละ่ะทําบุญบุญก็ไปละ่ะทําบาบาปก็ไปละ่ะทํากรรมไหนกรรมนั้นก็ได้ใช้กันอยู่แล้วละ่ะแต่ที่ทำที่เรามาทํากันเนี่ยกรรมฐานเนี่ย มันเหนือนั้นเอีกนะเหนืองินที่เราหยอดใส่กระปุกทีละบาดจนเป็นมหาเสตีไอ้นี่มหาสตินะรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกขนานะหนึ่งสามพันหรู้นะวันได้เท่าไหร่ก็คูณเข้าไปนะเผลอหลงเท่าไหร่ก็นั่นแหละยิ่งหลงยิ่งเดียไม่ผิดหรอกใครเป็นบัตรละง่วงเนะ่ยเอามาบอกสุดยอดแล้วนะแสดงว่าทําถูกใครทําล้วฟุ้งซ่านเนี่ยทำถูกใครมีความกลัวถูกแล้วนะมันไม่มีทำมาตัวไหนหรอกผิดนะี ทำล้เบื่อถูกแล้วทำถูกแล้วออามาฟังดูมันถูกยังไงในแง่คิดมุมมองอ่าทมาหรือว่าประสบการณ์ที่สัมผัสมาเอาม า, ม, ามองมอ ง, มองดูทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรไม่ดีสักอย่างถ้ามีปัญญาหยิบมาใช้ได้ถูกต้องนะดีหมดเลยไอ้ที่ว่าแ yeah ย่ที่สุดแล้วไม่ดีที่สุดกลายเป็นดีขึ้นไปเลยที่ว่าดีคุณดูมันดีๆนะไอ้ น, น่สุดยอดชั่วเลยเหมือนกันะ ดูดีๆไอ้ที่ว่า ด, ดีทั้งหลายทั้งปวงลองมองไว้ดีๆมองให้ลนะึกนมันกลายเป็นเรื่องไม่ดีหรอกเพราะฉะนั้นความโกรธมาดูานะโกรธเนี่ยก็บอกความโกรธไม่ดีเอามามองไปมองมาเช็คไปเช็คมาสังเกต ด, ดูเฮ้ยทำไมครูบาอาจารย์ท่านดูจริงเช็คไปเช็คมาไอ้นี่ท่านใช้พระเดชอยูนี่นะเอ๊ะพระเดชเตโชมันไฟเนี่ย ไล่ไปไล่มาเวลาเราใช้อยอู่ไอตัวนี้ก็ถูกหยิบ ม, มาใช้ความคิดที่เป็นพระเดชเนี่ยมันต้องใช้นบางทีใช้ขมใช้ข่มกิเลสนะบางทีเราใช้คมกิเลสในตัวบางทีเราใช้ค่มกิเลสนอกตัวมีอยู่พระเดชเตชะเตโชคือไฟลองดูพลังงานความร้อนไฟนี้ถา้าไปเผาบ้านเผาเมืองสุดยอดแย่ไฟนะแต่ไปหุงข้าวทำดีขึ้นมาเราไฟความร้อนสูงๆทําดีขึ้นมา เวลาอยู่ในห้องเครื่องยนต์ทําไมมันเป็นพลังงานขับเคลื่อนมันดีขึ้นมาทําไมนิวเคลียร์อยู่ในโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ปรมาณูเพื่อสันติภาพมันดีขึ้นมาเอามาก่อประยอดได้ทําไมทําลูกระเบิดไปทิ้งมันกลับผิดขึ้นมาแต่พอไปทิ้งถูกที่ทำไมมันถูกขึ้นมาทิ้งไม่ถูกที่มันผิดขึ้นมาเอ๊ะนี่ควนมันสมมุติกันขึ้นมานี่แหละมันเห็นตัวนี้ทันทีเอ้ยเพราะนั้นพระเดชดีแล้วทําไมเกาเรียกพระเดชเตโชอ๋อพระท่านเบตา การใช้ด้วยปัญญาเป็นพระเดชพระคุณก็เหมือนกันลองไปใช้แล้วแบบไม่มีปัญญาใช้เขาอ่อนแอท้ายสุดเป็นบาปไปเลยนะทำบุญจะเป็นบาปได้นะบอกให้นี่คือความเห็นอัตมานะผิดถูกเราไม่ชอบตัวเองได้ทําบุญเนี่ยทำเป็นบาปได้เลยทันทีเลยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าย่าไปใช้ด้วยปัญญาด้วยเหตุปัจจัยนะเราใช้แต่พอดีด้วยนะกลายเป็นเรื่องดีทั้งหมดเลย ความม่วงเหมือนกันปฏิบัติธรรมเจอความง่วงยกตัวอย่างคุณบอกว่าเออความม่วงไม่ดีก่อนนอนถ้าความม่วงไปมาเนี่ยสวยกายเป็นอกุศลนันทนะีเพราะว่าเป็นความไม่ฉลาดของจิตขนาดม่วงเอาความคิดมาใช้ทําไม ก, กลายเป็นเรื่องนอนไม่หลับแต่ขณะปฏิบัติเออมันง่วงก็ดีแล้วไงก็จะได้รู้จกักกัตัวง่วงนั้นเป็นยังไงจัดระเบียบเขานะเอาเข้าที่เข้าทาง อาตัวสตินำหน้าตัวง่วงไว้ข้างหลังอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นแวกออกเข้าหาความรู้สึกที่ฐานกายทันทีจิตก็จะตื่นทันทีให้สังเกตเถินะความเบื่อก็เหมือนกันบอกว่าความเบือ่อไม่ดีหรอกแหมมันเบือ่อปฏิบัติแล้วเกินมันมาทีไรชั้นยกมือไปขึ้นมาทีไรนะโอ้คิดถึงบ้านเบือ่อเบือ่อมาทีไรอยากกลับไปนอนในกุฏิในศาลาในที่นอนต่างๆสารพัด เวลาเบื่อขึ้นมาอยากหาอย่างอื่นทําอะไรอย่างนี้นะจริงตื่เบื่อหาดีนะถ้ามีสติมาประกอบกับความเบื่อเนี่ยฟังดีๆนะตั้งใจฟังมันกลายเป็นตัวนิพิทาตัวเบื่อนะ่ะกลายเป็นตัวนิพิทากลายเป็นตัวเหนื่อยหน่ายความทุกข์ที่เราหลงทันทีเลยนะพอมีสติประกอบกับความเบื่อแล้วมองไอ้ตัวความทุกข์เนี่ยถ้าเบื่อทุกเมือ่อไหร่เราโหตรงนะสุดยอดเลย เพรนแต่ละตัวแต่ละตัวที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยก็แสดงตัวขึ้นมาคือธรรมะทั้งหมด<น>คือธรรมะทั้งหมดแต่จิตที่ขาดสติขาดปัญญาไปตีความ<น>เอามาเป็นความพอใจเป็นความไม่พอใจอะแล้วจะไปโทษใครหรอ<น>ไปโทษเรวคนหน้าบังคับมาเหรอหรือว่าโทษเหรอว่าสถานที่นี้ไปปฏิบัติกันแนวนี้ตั้งใจมานั่งอาณาปาณิตตั้งใจมาวาดฝันวาดวิมานมาว่ารฏฏะจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่ หรือว่ามันจะปีตินรืันจะสงบอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่เห็นสักทีอย่างเงี้ยแสดงว่าวางใจไว้ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นมาที่นี่นะถ้าปฏิบัติธรรมวันนี้ลองใช้นะคําพูดต่อไปนี้ของอาตมานะน้องก็มาใส่ตนนะก็คืออย่าหวังนะว่าจะได้อะไรปฏิบัติธรรมแล้วจะได้อะไรให้มีความสุขอยู่ไปวันๆเดี๋นะยวไปแค่มีชีวิตขนาดเดียวขนาดเดียวขนาดเดียวนี่แหละ มีชี่แค่วินาทีเดียววินาทีเดียววินาทีเดียวนะไม่คิดว่าจะได้อะไรนะแล้วก็มีที่นี่ชุมชนนี้ให้ทําอะไรก็ทําไปนะกอมเกลือนไปขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งอาจารย์น้อใจทําอะไรก็ทําไปให้นั่งก็นั่งให้ลุกก็ลุกให้ไปกินข้าวกินข้าวนะให้ไปอาบนา้ํำอาบานา้ํำให้ฟังก็ฟังไปแล้วก็รู้สึกตัวไปอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นสบายไปเลย ธรรมะมันไม่ได้มา อ, าอะไรอันดับแรกแนละ้ว อ, อย่างธรรมะไม่อยอมาขัดแย้งอะไรว่าการขัดแย้งเป็นจิตของสัตว์เดรัจฉานขัดแยง้งอะไรทั้งหมดเลยเนะี่ยเป็นลนักษณะของจิตสัตว์เดรัจฉานถูกก็ไม่เอาไงคือเดรัจฉานชัดๆเลยมันเป็นเรื่องของปัจจุบันขณะนี่แหละอันนี้แหละเป็นจุดเด่นของวิธีปฏิบัติของคนมีปัญญาในยุคปัจจุบันไม่ใช่เรื่องของตายไปแล้วจะเข้าถึงนิพพานหรือว่า ชาติที่แล้วเป็นอะไรมามันเสียเวลามากๆานกะขออ้างนิดนึงอาจารย์พุทาตของเรานะที่นี่กับอาจารย์พุทธธ้าท์ถือเป็นสิ่งเดียวกันวัดสวนโมกนะสวนโมกขาลาลามสวนลาดานีอำเภอใจยาถือว่าท่านเนี่ยเป็นไม่ซีกงัดไม้สรงท่านสามารถทำนิพพานให้ปรากฏที่ปัจจุบันนีนะ้ไม่ใช่ว่าตายไปแล้วมันจะได้รับ ตายไปแล้วจะค่อยรับอา น, นิสงมันเสียเวลามากบุญก็เหมือนกันไม่เอาตายไปแล้วค่อยไปเอาไม่ใช่หรอกเดี๋ยวนี้เลยบุญคือชืองความสุขที่ได้มาโดยชอบครั้ น, นี้เราเคยให้แล้วเกิดบุญต่างๆมากมายมาตอนนี้ยกยอดหรือว่าต่อยอดเปลี่ยนบุญต่อยอดเป็นกุศลต่อไปกุศลคือความฉลาดเห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องโลกมีโลกภายนอกและโลกภายใน โลกภายในคือจิตใจของเราซึ่งมันไม่มีตัวตนแล้วก็ถ้าเราไม่ศึกษาเพื่อสัตนาแบบตรงๆและลสันๆเช่นยกมือรู้สึกตัวตรงๆและสันๆจะไม่มีโอกาสได้เจอเลยการที่คิดเอามันก็ไม่ใช่ต้องสัมผัสรู้ทำไมคือสัมผัสรู้เราฝึกสัมผัสรู้ที่การเคลื่อนไหวของกายเพื่อที่จะวางกายเดี๋ยวเราจะเห็นจิตที่มันสัมผัสรู้ได้ที่กายเหมือนกัน เาจิตมันแวบเนี่ยมันคิดเนี่ยมันใช้สมองอยู่มันมีทางเดินทางตาบ้างไปทางหูบ้างทางกายบ้างทางเวนไอทางจมูกบ้างทางออลิ้นบ้างมันจะแวบไปแวบมาเราสังเกตตีลนะมนคืออะไรถ้าหลงผึ่งเข้าไปเดี๋ยวมันเกิดการปรุงแต่งร่างกายเป็นทุกข์เป็นสุขใช่ไหมสุขทุกข์เกิดในความคิดทั้งหมดอย่างเงี้ยเพราะนั้นการที่เรามาสัมผัสรู้ที่กายมันแยกก่อนพอสัมผัสรู้ที่กาย รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวจริงเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรารู้อยู่แล้วบางทีเนี่ยเราเหมือนกับว่านั่งสานขาเอามือมาขยับเล่นบางทีก็เอาปากกามาปั่นเล่นบางทีเอากระดาษเอาใบไม้มาฉีกเล่นนั่นแหละคือตัวกรรมฐานเราไม่รู้ว่าเรารู้อยู่ มันช่วยเราอยู่กรรมฐานนะในชีวิตจริงๆของเราไม่งั้นตายกันหมดโลกแล้วเรานั่งอยู่ที่นี่ได้แสดงว่ากรรมฐานช่วยเราอยู่บุญมันค้ำจุนเราอยู่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ <c oughs> บางทีเราปฏิบัตริรมเราก็นึกว่าเรารู้แล้วไอ้ตัวนี้ก็ตัวอันตรายเราเน้นว่าเอ๊ะเรารู้อยู่แล้วนี่นะมันเป็นการคิดรู้เลยบางทีบอกฉันนั่งดูจิตอยู่นะฉันเห็นจิตเห็นใจอยู่ แล้วบางทียังมีคําถามอยูนะ่แสดงว่ายังไม่รู้ยังสงสัยอยู่มาถามอยู่แล้วบางทีถามแบบไม่เอาคําตอบถามแบบลองภูมิก็มีเหมือนกันอันนี้แสดงคุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้ปฏิบัติธรรมเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้แต่พอเราเคลื่อนมือปรับสัมผัสปั๊บเรารู้ว่าเรารู้สัมมาทิฏฐิเกิดทันทีเลยเรารู้ว่าเรารู้อ๋อเรารู้ว่าเรารู้ตัวอยู่ขนาดนี้ยรู้ว่านั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ จิตก็อยู่กัายกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายทําอะไรใจทําด้วยเงี้ยคราวนี้เรารู้ว่าเรารู้มันก็ติดรู้อีกอันนี้รู้อะไรก็ติดอันนั้นเน่ยเรารู้ว่าเรารู้ไอ้ตัวนี้แหละอารมณ์วิปัสสนุจะมาแล้วมันรู้แบบแตกฉานพอเราฝึกปฏิบัติธรรมไปปฏิบัธรรมมานะ่ยมันเริ่มแยกเงี้ยไอ้นี่คือกายนี่คือจิตคิดยเงี้ยไอ้นี่คือตัวสติ จิตปกติแสดงตัวเองเด่นอยู่อย่างเงี้ยนะคราวนี้พอมาแสดงงั้นป๊บอารมณ์เบื้องต้นกับดีใจเลยอาจารย์ยใช้ว่าจำรองถูกหวยนะว่าอาจารย์ น, นระเทศอารมณ์แบบเนี้ยหรือเรี้ยวเศรษฐีใหม่อารมณ์เศรษฐีใหม่คือเพิ่งได้มาอยู่ในมือแปบ๊บเดียวนะใช้หมดเลยละแต่ให้มันใช้ลงไปมันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆากเหมือนคนมีเงินอนะใช้ได้ใช้ไปนะนจะมีประสบการณ์การใช้เงิ น, นแต่ว่า ถ้าเราไม่ประมาทแล้วก็รู้จักใช้แต่พอดี เ, เก็บหอมรอมริษฐ์มีเสลืองพึ่งบังจ บ, บที่กบบาทย้ายกาสิ่งของต้องมาสง่งมีน้อยใช้น้อยก็เป็นจงจะจ่ายลงให้มากจะยากนานเพราะฉะนั้นการจ่ายเวลาเราทำกรรมฐานเนี่ยวิธีจ่ายของแสดงขกรมรมฐานคือคําพูดเท่านั้นแหละม่มีอะไรหรอกคดีคําพูดนะถ้าเราพูดถูกการละเทศนะถือว่าถูกต้องพูดแบบเราไปเจ้าตัวเองถือว่าถูกต้องเราใช้เป็น แต่ถ้าไม่รับผิดชอบหนึ่งพูดไปตามอารมณ์สองอันนี้เป็นลนักษณะของการยิ่งใช้ยิงหายไปจะมารู้สึกตัวทีอมันหมดแล้วตามเราตู่ห่วยแต่บางคนเขาก็ไม่แสดงตัวเหมือนกันนะเช่นตอนนี้มีคนชื่อลุงเอี่ยมลุงเอียเอ่ยมรู้จักไว้ลุงเอี่ยมใครรู้จักยกมือไม่กล้า ย, ยกมือก็าไม่เคยคุยกันลุงเอี่ยมกกอยู่ว่าเลกไร่กิงใช่ไหมแกขอทาน แมเจ๋งมากเลยเจ๋งยังไงได้เงินมาแกเก็บใบได้เงินมาแกเก็บไว้ได้เงินมาแกเก็บใบแกใส่กินที่วัดน่ะอยู่ที่วัดน่ะคนกันนึกว่าเออหลุยเขียมเนี่ยกระจอกนะขอทานเขากินเป็นโปริโออย่างเงี้ยกินหมากปากแดงเสียแล้วเป็นไงหลุยเขียมแกก็เก็บตังไว้ได้ล้านนึงอ่ะ แกเอาตะหวายวัดไร่ขิงเจ๋งไหม900เก้าร้อยไม่ใช่เก้าแสนเก้ามืนเก้าพันเก้าร้อยก้าิบก้าทเนี่ยดูสิสิ่งที่แกอยากได้สิ่งนี้คืออยากใส่หมวกตำรวจความฝันของแกนะอธิบดีกรมตำรวจไปเยี่ยมอยากใส่หมวกกันขอใส่ได้ไหัหยถ้าเป็นเราเราจะให้หอธิบดีกรมตำรวจเขาบอกว่า คนที่จะใส่หมวกตารวจได้กต้องทําความดีนะอย่าให้นายเป็นสายตารวจอยคนที่จะเป็นสายก็ตํารวจวก็จะต้องให้ข้อมูลกับตารวจยาเสพติดบ้างใครไม่ดีเนี่ยให้ให้ข้อมูลแปลว่าอะไรแกก็อธิบดีกองตำรวจก็อยากให้หมวกแล้วก็ทำเป็นเคล็ดนิดนึงก็โดยการ เชิญคนทุกคนมาทำความดีกันนะละชั่วทำดนะีอย่าไปยุ่งกับบายามุกนะแล้วให้ลุงเอี่ยมนะแกถือนะแล้วก็ให้ใส่หมวกตารวจนะแกก็สมใจแกนะบางทีแบบนี้มก็มีเหมือนกันเพราะค่าของคนนะ่ก็คือท้ายสุดก็คือการเวลาพิสูจนะ์ท้ายสุดนะดูกันไปนานๆานนะจนตายน่นแหละค่อยสรุปนะว่าดีหรือไม่ดี เหมือนกับกรรมฐานเหมือนกั น, ก น, กนทําไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งไปสรุปว่าดีว่าไม่ดีชอบไม่ชอบมันจะเสียเวลาตอนนี้เราก็ตกกระไดประจอนนนะอยู่ไปขณะหนึ่งขณะหนึ่งรู้สึกตัวตัวนี้สําคัญทําให้ถูกต้องก็คือวางกายกายลายทําให้ถูกต้องวางกายวางใจนะแล้วรู้สึกตรงที่สัมผัสนะั่นแหละนะนะรู้ไว้ก่อนเป็นองคิดว่านเนเพลงมันจ้องทุกอารมณ์มันคือตัวปฏิบัติ ต่อยพูดขนาดไหนอย่าเพง่งอย่าจ้องอย่าจี้อย่าเผลออย่าคิดอย่าฟุง้งไม่มีทางอะ่ะเหมือนหัดกับรถใหม่ๆไม่ใครหลงไม่เพง่งจับปากปกาเขียนใหม่ๆไม่ใครเขียนวัดได้หรอกแล้วอ่านออกอะ่ะมันมีแต่ต้องตั้งใจคัดทีละเส้นปวดมั้ยปวดมือหน่อยแต่ท้ายสุดเดี๋ยวก็คัดสวยเองแหละแต่ก็ต้องขยันนะเพราะว่าเจวันเว้นซ้อมตันดีการเนื่องช้าสามวันจากนาฬีเป็นอื่น หวันเบนอะคาลันหนีหายหมเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยต้องต่อเนื่องเหมือนลมหายใจของเราลมหายใจหายใจแต่ละขณะแต่ละขณะหยุดหายใจสนาทีคือสมองตายหนาทีคือตายหมดเลยทั้งกายทั้งใจพัดผ้ า, ผ า, ผากันเลยไอ้ความรู้สึกตัวก็เหมือนกันแต่ละขณะแต่ละขณะถ้าไม่รู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันเป็นอาคารอาหารของสติถ้าขาด นิดๆหน่นนอยๆสติมันก็ตายเหมือนกันแหละอันนี้คือความคิดหรือว่าแง่คิดมุมมองที่กระผมและธรรมามองเฉยๆแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยต้องต่อเนื่องจริงๆเป็นลูกโซ่หลวงป่อเทียนพูดนะความพูดหลวงพเทียนคือเป็นลูกโซ่แต่ละเปาะแต่ละเปานะเนี่ยขึ้นไหวรู้สึกขึ้นไหวรู้สึกเนะี่ยหรือว่าเดินจงกรมเน่ยนะเดินแล้วก็ทบรู้สึกสัมผัสรู้สึกสัมผัสรู้สึกทําตรงนี้ไปก่อนอย่าเพิ่มไปหารยายละเอียดอะไรทั้งหมดเสียเวลา เก็บตัวสัมผัร์รู้สึกรู้สึกรู้สึกไปเลยๆยังไง น, นอะอะก็พูดได้ฟังอาจารย์น็อดก็นิมนต์ให้พูดเกิดเห็นว่ามีผู้ใหม่เยอะหน่อยก็พูดอย่างนี้ไปก่อนให้กําลังใจกันให้แง่คิดมุมมองให้ความเห็นรับรองไม่โกหกหรอกตามมาแล้วทั้งนั้นแหละจะให้ทำก็ทําได้ย้ายไม่ให้ทําให้ดูจิตกระดูได้พูดได้เห็นมันอยู่จิตนีแล้วก็เห็นมันอยู่ว่าอาการที่มันติดรู้มันเป็นยังไง เห็นเลยรู้แล้วติดรู้เป็นไงเพราะนั้นต้องฝึกวางรู้ด้วยสติปัญญาเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในตัวของมันเบ็ดเสร็จนะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงถ้าเราเห็นอาการเกิดดับจริงๆนะมันจืเ อ, อาการวางรู้ไปในตัวของมันเบ็ดเสร็จนะบางทีอาจจะเผลอบ้างหลงบ้างนะแต่อาการเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากนะนะยิ่งหลงยิงรู้ แล้วก็หลงเผล่ไปกลับมาได้ไวถึงทุกข์ก็ทุกข์ไม่นานตัวนี้สำคัญหลวง่อเดียนจึงท้าทายว่าใครก็ตามยกมือสิบสี่จังหวาเนี่ยสามปีช้าสุดไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปเอาไหมเอาไหยโยมทำอย่างนี้พลิกมือรู้สึกเกินมือรู้สึกไม่เกินสามปีพระเจ้าท้าเอาไว้คือพระเจ้าเองเนี่ยวันเพ็ควันเ พ, น เ, พ, น, เพนเดือนหก เ5ห้าข้ามยามสามปิลกาวันพุธฝึกอนาปานาติหนะปีแนนเป่นดันหัโอ้ตรงนี้นี่นะกำหนดรู้ลมหายใจก็คือฝึกสติเขาลมหายใจนะจนทั้งเห็นความคิดนะเห็นมารพยา ม, มารที่มันเหมือนตัวเองที่สุดเลยก็คือความคิดนะเหมือนเหมือนเหมือนตัวเองมากเวลาคิดต่างขนาดคือเหมือนกูมากอ่ะ ตัวตนกน็ตัวกูของ ก, กูก็คือตัวคิดนั่นแหละท้ายสุดก็คือความคิดก็บอกว่าท่านก็คือเราท่านก็คือเราพระเจ้าบอกท่านก็คือตัวปุงแต่งในเรือนในช่างผู้ปลูกเรือนหรือภาษาฝรังก็บอกอาร์เคเต็กตัวนี้คือตัวอาร์เคเต็กตัวปรุงตั้งหลาย แม่ทรณีโปดเป็นพัญญแม่ธรณีคือสมาธิที่ตั้งมั่นนะโปดเป็นพัญญาตั้งใจดูแหละไอ้นีน่ตัวคิดเนี่ยนะไอ้ตัวดูก็ตัวหนึ่งไอ้ตัวโดมอยู่ในภูมิของโลคุตระภูมิะแต่ตัวพงอยู่ในโล ก, กิยาภูมิเนะี่เพราะฉะนั้นเป็นธรรมเราเห็นแล้วนะขณะที่รู้สึกนั้นมแยกให้เราแล้วแต่ว่าเล็กๆมากเลยมันยังไม่ถึงมหาสติโลละไอ้ตัวพงกับไอตัวเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยตำแหน่งอยู่ตรงเนี้ยก็เลย บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธิยาณใต้ต้นสีมหาโพธิ์บเป็นเดือน6คือนนะ่ข้ามยามสามปิลกาวันพุธเียแล้วยังมีคำพูดที่ชัดเจนมีการเขียนไว้ชัดเจนในพระตไตรปิฎกไอ้สิ่งเนี้มยังมีอยู่ถ้ามีการกระทำอย่างที่เราทำกันอยู่เนะี่ยมืนมีเขียนอยู่ชัดเจนเลย ม่ต้งกลัวถูกหลอกนะบางคนอาจจะยังลังเลีอย่าเสียเวลาวันนี้มาถึงที่นี่แล้วเคลื่อนไหวรู้สึกให้เป็นกันแล้วกันสิบสี่ชั่ววันในรูปแบบบางคนอาจจะบอกทําแค่นี้ได้ไหมเราบอกเออนี่กรรมฐานหอยก่ามแล้วแกเนี่ยบานๆหูๆอยู่แล้วแค่นี้ได้ไหมแค่นี้ได้ไหมบางคนบอกเอาแค่นี้ได้ไหมเอ้ยเอาไว้ก่อนหนึ่งทํามาที่นี่ขอให้รูปแบบหลวงปู่เทียนได้สง่างามหน่อยได้ไหม เปิดตัวหลวงปู่เทียนหน่อยสิ <Yeah. S 1> ย่าใยมันศูญหายตายศูนยญไปมันมีนะวิธีการเนี่ยหลวงปู่ที่หลวงปู่เทียนท่านพาธรำหลวงพ่อเขียนท่านก็พาธรรมเหมือนกัน <Yeah. S 1> แต่กับพาทมอย่างนี้แหละแต่ของท่านจะย่ออีกนิดหนึ่งทําไมท่านย่อแบบนี้เนี่ <Yeah. S 1> ท่านเอาแค่นี้พอนะ <Yeah. S 1> ท่านไม่หลุดเลยมาถึงแค่อกนี่นะไอ้มาก็สงสัยหลวงพ่อหลว ง, งพ่อเป็นศิลป์หลวงปู่เทียนหลวงพ่อทําแค่นี้ พราตท่าน ต, ตอบาไงรู้ป่ะผู้หญิงมีหน้าอกโล่งขึ้นมาผู้หญิงมีหน้าอกมันไม่ค่อยงามแต่ไหลท่านเอาแค่นี้พอเหนือสะดือขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นไปอันนี้ไม่เป็นไรก็ไปยกกันไปแต่ถ้าเราทำเป็นแล้วจะทำเอียบบทไหนเป็นความรู้สึกตัวถือว่าถูกทั้งหมดไม่ผิดหรอกอัิมายเห็นว่าการรู้สึกตัวเนี่ยแต่ละข น, นะ มันบอกถึงบุญถึงบาปเหนือบุญเหนือบาปเราเคยได้ใช้บทแบบนี้มาแล้วกับการทําบุญทําบาปพริกมือแค่นี้นะเป็นบุญพริกมือแค่นี้เป็นบาปยกมือแค่นี้เป็นบุญยกมือแค่นี้เป็นบาปเคลื่อนมาที่อย่างเงี้ยเย็บบทผ่านอย่างเงี้ยเป็นบุญและเป็นบาปเราได้ทํามาแล้วอย่างนี้เป็นบุญเป็นบาปมือซ้ายเป็นบุญเป็นบาปมือซ้ายเป็นบุญเป็นบาปมือซ้ายเป็นบุญเป็นบาปเป็นบุญบาปเป็นบุญบาปเป็นบุญเป็นบาปจิตมันสั่งอ่ะ เป็นบนเวนบ่า k, เป็นบนเวนบา่าเป็นบนเวนบา่าเป็นบนเวนบ่าแต่พอเรามากระทบสัมผสัสรู้สึกซื่อม <Hundred ilee S 1> ันเหนือบนเหนือบาบนี่พานเหนือบนเหนือบาบมันเหนือกุศลเหนือกุศลเหนือความพอใจเหนือความไม่พอใจเหนือเหตุเหนือผลเหนือการเปรียบเทียบเหนืออะไรทั้งหมดมันแก่สัมผัสรู้สึกซ <im> ื่อๆนั่นเองเรอะไลมาเคลื่อนดูจำลองดูเยาะบทเหนือบนเหนือบาบน่ะโอ้รู้สึกตัวธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ย มันจึงมีความหมาย14บี่จังหวนะนะความหมายก็คือให้ทุกๆเรียบทยของมือที่เราทําบุญทําบาปมาน้ําย่อหนามบ่งในการนี้ทำเหนือบุนเหนือบาปไปซะเนี่ยมันจะเป็นนิพพานทันทีทุกครั้งที่กระทบสัมผัสรู้สึกแล้วจะ อ, อะไรอีกทุกครั้งที่รู้สึกแล้วไม่ทุกจะเอาอะไรอีกเมื่อแค่ความรู้สึกมันสุดแล้วคําพูดมัไม่มีอะไรแล้วนะียก็เหลือแค่ภาคปฏิบัติสัมผัสรู้สึกเป็นการกระทํากรรมมาถาล้วนๆตรง น, น, นี้นะ อาคาพูดให้ฟังนะใช้เวลามาประมาณ40่บกวนาทนะีก็ขอให้การวัดดีของเราทั้งหลายนั้นนะการฝึกสติของเราทั้งหลายนั้นก็จนเป็นประสบการณนะ์ที่เหนือถูกเหนือผิดเหนือเหตุหนือผลนะเราให้เป็นเรื่องของความเป็นปกติจิตนะที่เจอเกิดเจเกิดจากการสัมผัสนะรู้ถูกนะรู้ต้อง และรู้ตรงรู้จริงๆรู้สดๆนะก็จงเป็นอนิสงสนะ์ให้เกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นความดีความงามนะท้งเกิดการทำหน้าที่และเกิดการปล่อยวางนะเป็นสันติสุขสันติภาพก็นะจงบังเกิดนะในใจของผู้ปฏิบัติโนะดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนนั้นเอนะ